สวัสดีครับท่านผู้ฟังทีออ่เคารพผมนายทหารณคณชอบเล่าวันนี้ในหมวดของเรื่องลี้ับผมจะขอนำเรื่องจากท่านสมาชิกท่านหนึ่งที่ได้กรุณาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองเพื่อให้ผมได้นำมาเล่าต่อให้ท่านฟังครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2558หรือ2ปีที่ผ่านมานั่นเองผมจะขออนุญาตสมมติว่าตัวผมเองเป็นคุณบาขือหือนบาแหวงขมเจ้าของเรื่อง ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้ทุกท่านได้ฟังกันครับผมเป็นคุณจังหวัดลําปางครอบครัวของผมที่บ้านมีอาชีพเลี้ยงวัวพันุพื้นเมืองจํานวนที่เลี้ยงไว้ก็มีประมาณ60กว่าตัวโดยลักษณะการเลี้ยงของครอบครัวผมก็จะทําเป็นอคอกเลี้ยงไว้ในป่าท้ายหมู่บ้านห่างออกไปประมาณ3กิโลเมตรและเลยออกไปมันก็จะเป็นภูเขาซึ่งถือว่ามีภูเขาติดกับหมู่บ้านด้วยพื้นที่ที่ทำอคอกเลี้ยงวัวไว้นั้น มันเป็นระยะทางที่ห่างจากหมู่บ้านที่ผมอยู่ครอบครัวผมจึงมีการสร้างกระท่อมไว้หนึ่งหลังเพื่อเอาไว้เฝ้าวัวแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าต้องทําห้องน้ําไว้ใช้นะครับปวดหนักหรือปวดเบาก็เข้าป่ากันไปแถวๆนั้นซึ่งผมเองก็ทําเป็นประจำหาครั้งใดที่มีโอกาสได้ไปเฝ้าแต่โดยปกติแล้วพ่อกับแม่ของผมจะเป็นคนไปนอนเฝ้าและตัวผมเองนั้นก็จะมีหน้าที่คอยดูแลลูกวัวที่เกิดใหม่ซึ่งพ่อผมจะขังแยกไว้ออกจากฝูง และจะปล่อยตัวอื่นๆออกไปหากินในระแวกทุ่งนาแถวๆนั้นซึ่งบางทีเจ้าวัวที่ออกหากินนั้นบางทีก็เข้าไปในป่าลึกหรือบางครั้งก็เลยขึ้นไปบนเขาและวันที่เกิดเหตุกับผมที่ผมยังจําได้ดีและไม่เคยลืมก็คือวันอังคารเวลาห้าโมงเย็นวันนั้นผมออกไปช่วยพ่อกับแม่เฝ้าวัวตามปกติบัรรยากาศตอนนั้นพระอาทิตย์กำลังพลุกเพลยเริ่มจะตกดินผมมีอาการปวดเบาจึงได้มองหาทําเล เพื่อจะปฏิบัติการยิงกระต่ายก็ฉี่นั่นแหละครับบางคนอาจจะไม่รู้จึงได้เดินมุ่งหน้าไปตรงป่าข้างทางด้วยเห็นว่าเป็นทําเลที่เหมาะสมระหว่างที่เดินไปนั้นเหมือนมีอะไรมาดนใจให้ตัวผมต้องเดินลึกเข้าไปในป่าอีกโดยปกติการถ่ายเบาของผมนี้ทําชายป่าก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่วันนั้นไม่รู้ว่าเป็นยังไงเมื่อเดินลึกเข้าไปลึกเข้าไปผมก็ได้ไปเจอกับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งและอาการปวดมันก็ถึงจุดคลายแสบตรงนั้น ผมจึงลงมือปัสสวะตรงนั้นระหว่างที่ทำกิจอยู่นั้นบรรยากาศรอบตัวมันดูวงเวงพิกลมันเย็นมันวูบไปวูบมาตามสันหลังแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากพยายามปฏิบัติภารกิจให้รู้ล่วงต่อไปและเมื่อใกล้จะเสร็จกิจนั้นผมก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะจูๆก็มีนกขมวาบินลงมาข้ามหัวผมในระยะที่ใกล้มากเสียงของมันร้องดังแกลกแกกผมตกใจมากตอนนั้นยืนขาแข็งทาอะไรไม่ถูกแต่มันก็บินผ่านไป ผมเลยรีบตั้งสติรีบรีบเดินออกมาจากจุดนั้นในป่าทันทีระหว่างที่เดินออกมานั้นรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่มืดมัวลงเรื่อยๆเวลานั้นฟ้าเริ่มมืดลงเต็มทีเมื่อกลับมาถึงคอกวัวก็เห็นพ่อเอาวัวที่ออกไปกินหญ้ากลับมาเก็บเข้าคอกหมดแล้วผมจึงได้ขอตัวกลับบ้านและเมื่อเดินทางกลับมาถึงบ้านตัวผมนั้นก็ลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นทุกอย่างเรียกว่าลืมจนสนิทใจจัดการอาบน้ำอาบท่าเสร็จเรียบร้อยพ่อกับแม่ก็กลับมาถึงบ้านประมาณหกโมงเย็น และด้วยความที่ลืมก็เลยไม่ได้เล่าอะไรให้พ่อกับแม่ฟังวันนั้นแม่ทํากับข้าวคือต้มไก่บ้านกับน้ําพริกซึ่งอร่อยมากเมื่ออิ่มหนาดีแล้วผมก็ขอตัวไปนอนเล่นที่เปลหน้าบ้านบ้านของผมนั้นเป็นบ้านทรงไทยใต้ถุนสูงแบบชาวเหนือทั่วไปซึ่งเป็นบ้านไม้และเปลที่ผมนอนนี้ก็อยู่ที่ชั้นล่างเวลานักขณะนั้นประมาณสองทุ่มเศษเศษพ่อกับแม่ของผมก็เริ่มง่วงกันแล้วก็เลยขึ้นไปนอนข้างบนส่วนตัวผมนั้นยังไม่รู้สึกง่วง รู้สึกว่าอยากจะนอนเล่นไปเรื่อยๆสักพักคืนนั้นจำได้ผมเอาแตงโมไปนั่งทานด้วยบนเปลเลยมาทานแตงโมเสร็จก็เอาเปลือกของมันโยนทิ้งไปทางต้นชาข้างรัว้วสักพักก็ได้ยินเสียงเหมือนลูกนกเสียงที่ได้ยินนั้นมันร้องจิบจิบนึกเอกใจลูกนกคงจะตกมาจากรังเลยลุกจากเปลนอนเดินตามเสียงนั้นเพื่อจะเข้าไปดูครั้งแรกเสียงร้องที่ได้ยินดังมาจากทางฝั่งซ้ายมือจึงเดินตรงไปพร้อมกับแวกต้นไม้ดูตามเสียง เสียงนั้นก็เงียบหายไปได้ยินอีกทีก็มาดังตรงฝั่งขวามือตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรโดยคิดว่าลูกนกนั้นก็คงจะวิ่งหนีเราซึ่งทําให้เกิดเสียงดังที่เข้าไปใกล้มันจึงได้ค้นหาไปตามเสียงนั้นแต่พอเมื่อเข้าไปใกล้ๆเสียงนั้นก็เงียบอีกแล้วก็กลับไปดังอยู่ที่ฝั่งซ้ายอีกทีหนึง่งนึกในใจแม้ทาเป็นวิ่งหนีก็เลยไปหาไม้กระดานมาขั้นกึ่งกลางไว้ซะเลยระหว่างพุ่มไม้นั้น มันจะได้ไม่ต้องวิ่งหนีข้ามไปข้ามมาอีกแต่ถึงแม้ว่าจะมีไม้กระดานมาขั้นแล้วเสียงของนกนั้นก็ยังย้ายไปย้ายมาได้อยู่ดีจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายความผิดปกติที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นตัวไปกระตุ้นความคิดจากที่คิดเพียงว่าลูกนกคงจะวิ่งหนีเราย้ายไปย้ายมาซึ่งโดยธรรมชาติมันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่มันจะย้ายข้างได้อีกก็ในเมื่อไม้กระดานมันกั้นอยู่ตรงรลางยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้แน่ และในแต่ละครั้งที่การเคลื่อนที่ย้ายเสียงมันเกิดขึ้นนั้นเราไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยคิดได้ก็เดินถอยหลังห่างออกมาจากนั้นก็ใช้สติเท่าที่มีขณะนั้นนึกถึงหลักความเป็นจริงสิ่งที่เราตามเสียงมันที่เราคิดว่าเป็นลูกนกที่ตกหลังมันคงจะไม่ใช่ลูกนกเป็นแน่และเมื่อความคิดนี้เกิดขึ้นเสียงลูกนกที่ร้องนั้นก็เบาลงไปเบาลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเงียบไปสัญชาตญาณการป้องกันตัวเองคิดว่าไม่น่าจะใช่แล้วกับสิ่งที่เจอ จึงได้พูด ล, ลอยๆออกไปหากสิ่งใดที่จําแรงแปลงกายมาหลอกกันครั้งนี้หากเราไม่มีเวรมีกรรมต่อกันก็ขอให้ต่างคนต่างไปต่างคนต่างอยู่ผู้จบก็ต้องตกใจอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้เห็นเงาดําๆคล้ายกับนกบินออกจากพุ่มไม้ที่อยู่ตรงหน้าไปลักษณะที่เห็นคือวิ่งไปตามพื้นแล้วก็กระโฉบบินขึ้นไปบนต้นไม้ไปเกาะอยู่บนยอดไม้ไม่เห็นดังนั้นผมบอกกับตัวเองเลยว่าควรจะขึ้นบ้านไปนอนได้แล้วเพราะในใจนั้นคิดว่าคงจะโดนดีเข้าแล้ว ก่อนนอนคืนนั้นเลยสวดมนต์บ่ายพระตามปกติและจังหวะที่นอนกําลังเคลิมคล้มเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่นั้นความรู้สึกว่าเป็นความฝันหรือความจริงมันแยกกันไม่ออกรู้สึกได้ถึงลมที่พัดแรงแรงมากคล้ายพายุฝนกําลังจะตกพักประตูบ้านชั้นบนเปิดออกทั้งสองบานความรู้สึกตอนนั้นจําได้ว่าผมได้เดินออกไปปิดประตูที่เปิดออกซึ่งขณะนั้นในห้องมืดมากเพราะไม่ได้เปิดไฟนอนระหว่างที่กําลังเอื้อมมือไปจับบานประตูนั้น ก็ต้องตกใจเพราะตรงหน้าประตูนั้นปรากฏเป็นภาพคนแก่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสอมซ่อเก่าๆไว้หนวดเครารกรุงรังผมมีอาการเหมือนตกอยู่ในผวังได้แต่จ้องหน้าเขาคนนั้นหลมที่พัดแรงก็ยิังคงพัดอยู่ใบหน้าของชายแก่คนนั้นมองไม่ค่อยจะชัดนักแต่ก็พอจะเห็นได้ว่าใบหน้าของแก่นั้นมีดวงตาที่โบ๋ไม่มีลูกตาเหมือนเป็นหลุมดําเข้าไปทั้งสองข้างระหว่างที่ยืนจ้องแบบจังงังอยู่นั้น ชายแก่คนนั้นก็เสียยิ้มให้อาการเย็นว่าไปตามไขสันหลังขนลุกทั่วตัวก็เกิดขึ้นกับผมชายแก่คนนั้นค่อยค่อยปีนขึ้นตามเสาโชหน้าบ้านแล้วก็ค่อยค่ยตายขึ้นไปถึงบนเพดานด้านบนผมทําอะไรไม่ได้ได้แต่แตงนหน้ามองตามเรื่อยๆแก่ค่อยๆ่ยตายแบบใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วไม่ได้ระยะแก่ก็เอื้อมมือมาทางผมพร้อมกันนั้นแก่ก็อ้าปากขึ้นด้วยปากนั้นคือปากที่ค่อยๆ อ, อ้ากว้างออกไปกว้างออกไปกว้างมาก ผมก็ได้แต่ยืนตัวแข็งเหงื่อแตกหนาวสยองขวัญสับสนไปหมดความคิดที่อยู่ในใจได้แต่ร้องตะโกนว่าใครก็ได้ช่วยผมด้วยเจ้าปู่เจ้าย่าช่วยด้วยนึกถึงพุทธคุณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างที่มีอยู่ในบ้านระหว่างที่นึกขอความช่วยเหลืออยู่นั้นมือของชายแก่คนนั้นก็เอื้อมมาใกล้มากแล้วที่จะมาถึงตัวผมและสายตาของผมก็เห็นเงาเงานึงปรากฏขึ้นเป็นเงาของสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งดำทะมึนและใหญ่มากเงานั้นคือเงาของวัว ยังไม่ทันที่อาการตะลึงของผมจะหายไปเงาที่รูปร่างเหมือนวัว น, นั้นก็กระโดดพุ่งเข้าใส่ชายแกขิดชายชราคนนั้นก็เดินออกไปนอกบ้านและสติที่จําได้ของผมก็ดับวูบลงตรงนั้นมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็ตอนที่พ่อกับแม่ปลุกให้ลุกขึ้นจากตรงที่ที่ผมนอนคือตรงบันไดชั้นสองเมื่อฝื้นลืมตาขึ้นมาได้ผมจึงเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้พ่อกับแม่ฟังเมื่อพ่อผมได้ฟังพ่อก็บอกว่าคงจะเป็นผีป่าผีดอยที่ตามมา ด้วยเพราะเรานั้นอาจจะทําอะไรผิดผีผิดใจเขาเขาเลยตามมาหลอกโชคดีมากที่บ้านเรามีผ้ ย, ยันบัวธนูจึงทําให้เราแคล้วคลาดท่านคงมาช่วยเราไว้ครับและนี่ก็คือประสบการณ์ตรงของคุณบาเขือหือนบากแกล้งขมสมาชิกผู้มีน้ําใจท่านหนึ่งของทกกรคนชอบเล่าก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้แชร์ข้อมูลให้ผมนํามาเล่าต่อนะครับสมาชิกท่านใดที่มีประสบการณ์อยากให้ผมนํามาเล่าต่อก็ฝากเรื่องไว้ที่อินบ็อกซ์ในแฟนเพจ กับเมลของผมได้นะครับที่ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ